กับขอโอกาสพระอาจารย์วัฒนชัยแล้วก็เพื่อนมาทำทุกท่านเนาะจะเดินในธรรมไม่ชียาติธรรมนะนักเรียนคุณครูทุกทุกคนเนาะอหาฟังธรรมกันตามสบายมีมีเรื่องหนึ่งนะอยู่ที่ประเทศจีนนะ มีลูกศิษย์กับอาจารย์นะจะไม่แน่ใจจีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้มันเป็นเรื่องเรื่องนานมาแล้วนะปิดเลยก็ได้โยมนะมแมงยยมีอาจจะมีลูกศิษย์นะขออาจารย์นะไปปฏิบัติธรรมที่เกาะนะอาจารย์ก็ให้ ให้คนนะส่งอาหารประมาณว่าทุกสองสัปดาห์ก็ส่งอาหารไปให้นะลูกศิษย์ก็ทำอาหารรับประทานเองนะก็เขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เกาะนะเป็นเวลาหลายปีเลยเนะจิญทั้งเขามีความมั่นใจว่าโอนะ้สมาธิสติปัญญาของเขาเนี่ย ดีมากๆแล้วนะเขาก็เลยนะเมื่อคนมาส่งอาหารนะอีกรอบหนึ่งนะเขาก็เลยเขียนจดหมายฝากไปให้อาจารย์นะบอกว่าเนี่ยนะฝากคนที่มาส่งอาหารว่าช่วยเอาไปให้อาจารย์หน่อยนะเขาก็พูดด้วยความกระยิมยิ้มย่องนะว่าตัวเองเหมือนอนะเหมือนเข้าใจธรรมะแล้ว ตัวเองนี่บรรุทำแล้วนะเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าเนี่ยจิตของผมเนะนี่ยนะมั่นคงไม่วันไหวลมทั้งสี่นะกระทบนะไม่กระเทือ น, นพออาจารย์ได้อ่านจดหมายจากลูกศิษย์นะก็ไม่พูดอะไรนะก็เขียนก็เขียนนะต่อไปนะ เอาผูกกันมามาค่านะข้อความที่ลูกศิษย์เขียนก่อนแล้วก็เขียนคําลงไปว่าผายลมนะแล้วก็ฝากคนที่นะคนที่ส่งอาหารเอาไปให้ลูกศิษย์ทีนึงลูกศิษย์นะพอเห็นคนที่ส่งอาหารนะนะเอาจดหมายจากอาจารย์ไปให้เนี่ยกย็ยิ้มยิ้มย่อมนะนึกว่าที่ตัวเองเขียนบอกอาจารย์ว่าอืม จิตมันมั่นคงไม่วันไหวละลมทั้งสี่กระทบก็ไม่กระเทือนแต่พอเปิดจดหมายจากอาจารย์เนาะเห็นอาจารย์เขียนควาว่าผายลมโกรธเลยนะรู้สึกไม่พอใจอาจารย์ที่อาจารย์มาเขียนแบบนี้ได้ยังไงเนาะเราฝาบฏิบทรระทมเรา่าเขียน ความมั่นคงไม่หวั่นไหวของจิตใจนะของตัวเองออกไปนะก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็บอกคนที่มาส่งอาหารนะั้นบอกว่าช่วยพาเราไปหาอาจารย์ดวนเลยนะก็ได้ลงเรือไปได้วยกันนะพายเรือกลับไปที่ฝั่งแล้วก็ไปที่วัดหาอาจารย์นะพอไปถึงแล้วก็ประมาณว่า แสดงความไม่พอใจกอาจารย์ว่าอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไงไม่สุภาพนะไม่ดีเลยนะเราสาบปฏิบัติธรรมตั้งใจนะจิตมั่นคงไม่วันไหวละไม่คำชมซะเลยนะยังมาเขียนเขาว่าผายลมไร้สาระอาจารย์ก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ก็พอเห็นเขาสงบ รายะหนึ่งก็พูดว่าเนี่ยก็เธอเขียนเองไม่ใช่หร่ว่าจิตของเธอมั่นคงไม่วันไหวลมทั้งสี่กระทบไม่กระเทือนแต่นี่เพียงแค่ลมลมตดน์นะผายลมเนี่ยแค่คำว่าผายลมเนี่ยจิตของเธอกระเทือ น, นจนทั้งพาร่างกายของเธอเนี่ยมาหาเราถึงที่วัดเห็นไหมเธอเห็นหรือเปล่าว่า มันกระเทือนหรือเปล่าลูกศิษย์พอได้ฟังอย่งนี้ก็เออใช่เนาะจิตของเราที่คิดว่ามันมันคงไม่วันไหวเนี่ยพอเจอคําพูดสั้นๆแค่นี้นะก็วันไหวละนี่คืออะไรนี่คือเรื่องของจิตใจเนี่ยแหละนะใช่ไหมเรื่องของจิตใจ บางคนฝึกนะคิดว่าตัวเองฝึกดีแล้วแต่พอเจอสิ่งกระทบก็ก็วันไหวนะหรือได้อ่านข่าวไม่นานมาเนี้ได้อ่านข่าวว่ามีมีหนุ่มนะทำงาน7ซเนอเนะเก็บเงินนะทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อไอ h ฟนหกนะแล้วก็ ไปหาแฟนนะที่คอนโดหวังว่าจะเอาไอโฟน6ไปเซอร์ไพรส์แฟนนะเพราะเป็นวันเกิดของแฟนแต่พอไปถึงที่คอนโดของแฟนปรากฏว่าเห็นแฟนอยู่กับผู้ชายคนอื่นก็เลยทะเลาะกันนะพอทะเลาะกันนั้ไงสุดท้ายชายหนุ่มที่เป็นพนัก ง, งานเซเว่นนะก็ตัดสินใจกระโดดจากตึกนะ จากคอนโดของแฟนตกลงมาตายเพราะอะไรเพราะความผิดหวังเนาะเพราะความทุกข์ใจอันนี้แหละ เ, เรื่องราวพวกนี้เนาะที่มันบางคนผิดหวังนจนทั้งฆ่าตัวตายหรือบางครั้งเราก็จิตของเราก็วันไหวเมื่อเจอคําพูดที่ไม่พอใจเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอย่างที่เรา ปัถนานะมันก็ได้เกิดเป็นความทุกข์ใจอันนี้แหละคือเป็นวิชาเนะเป็นวิชาเรื่องของจิตใจน ะ, ะที่เรามาเรียนนะฝึกปฏิบัติธรรมเนะี่ยคือการเน้นการเรียนรู้เรื่องวิชาในการในการฝึกใจนะฝึกใจให้ไม่ทุกนะฝึกใจให้นะ เข้าใจความจริงของชีวิตเนมันเป็นวิชาที่ที่สุดยอดมากนะเพราะพุทธเจ้านะก่อนที่ท่านจะออกบวชเนะ่ท่านก็ทบทวนตัวเองนะว่าเราเนี่ยก็เรียนจบมาสิบแปดวิชานะเช่นขีม่ม้ายิงธนูการแพทย์การปกครองอะไรต่างๆนะพระพุทธเจ้าเรียนจบมาสิบแปดวิชานะเป็น คนที่เรียนเก่งที่สุดในในชมพูทวบีบก็ว่าได้นะแต่พอไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายก็ไม่มีคำตอบวิชาทั้ง18วิชานะี่ไม่มีคำตอบว่าเราจะช่วยให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดภ้าสูญเสีย เจอสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจนะไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบกับตัวเองว่าวิชาทั้งหมดในโลกเนี้ยแก้ทุกข์ให้กับเราไม่ได้เลยแก้ทุกข์ให้กับคนอื่นๆก็ไม่ได้เลยเพราะพุทธองค์ก็เลยออกบวชนะเพื่อหาคำตอบเพื่อหาหนทางในการที่จะพ้นจากความทุกข์ใช่อันนี้คือเป็นวิชาที่ เรียกว่าเป็นสุดยอดวิชาก็ว่าได้นะแต่พวกเราเองหลายคนก็อยู่ในช่วงใยเรียนเราก็ยังเรียนวิชาทางโลกแต่เราก็ต้องเรียนวิชาจิตใจควบคู่ไปด้วยเนาะวิชาทางโลกเนี่ยก็เพื่อให้เราทำมาหากินให้เราเลี้ยงชีวิตทางร่างกายได้แต่วิชาทางจิตใจเนี่ยจะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่หลงโลกนะ หรือว่าอยู่กับความทุกข์อย่างไม่ทุกข์นะพระพุทธเจ้านะมีวันก่อนที่ท่านจะตัดสร้นะท่านมีนิมิตอยู่ห้าประการนะมีนิมิตอยู่ประการหนึ่งท่านท่านนิมิตก็ควาว่านิมิตก็คล้ายๆความฝันนะแต่นิมิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความฝันที่เป็นเรียกว่าสะท้อนความจริงในอนาคตนะ พระพุทธองค์ท่านนิมิตว่านะท่านเดินอยู่บนคูดคูดก็คืออุจจาระนะท่านเดินอยู่บนคูดแต่ปรากฏว่าเท้าของท่านเนี่ยไม่เปื้อนคูดเลยนะพอท่านนะตื่นออกมาในเช้าวันนู้นขึ้นท่านก็มาตีความนิมิตของท่านบอกอืมใช่แล้วละ่นะตีความว่างไงตีความว่าเออเราอยู่กับโรคนะ เราอยู่กับโรคซึ่งมีความทุกข์แต่เราเดินอยู่บนโลกอย่างไม่ไม่มีความทุกข์ก็ได้นะก็เหมือนกับโลกในเปรียเส ม, มือนคูดที่เป็นสิ่งที่สกปรกสิ่งที่เป็นความทุกข์แต่เราเดินอยู่บนตรงนั้นนะก็คือเราเหนือทุกข์เราพ้นจากความทุกข์ได้พอท่านได้นิมิต ท, ทั้งห้าประการนะท่านก็มีความมั่นใจว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่ท่านนะ จะตัดสรู้ให้ได้ถ้าไม่ตัดสรู้นะไม่ลุกจากที่นั่งนั่นเลยแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นกระดูกจะเหือดแห้งไปก็ตามนะนไม่ลุกจากที่นั่งนีนะ้มั่นใจขนาดนั้นเลยนะอันนี้คือวิชาเนาะวิชาทางโลกก็มีวิชาทางธรรมก็มีนะเราถ้าจะเป็นผู้ทิพยฉลาดเนาะควรเรียนรู้ทั้งสองวิชาเนี่ย ให้ควบคู่กันไปนะวิชาทางโลกก็อาจจะเป็นเหมือนถ้าเรารู้แต่วิชาทางโลกมันจะเหมือนความรู้ท่วมหัวนะแต่เอาตัวไม่รอดนะบางทีเรามีความรู้นะเยอะแ ย, ยะมากมายแต่พอรเราเจอปัญหาเราแก้ปัญหาท า, ทางด้านจิตใจของเราไม่ได้เนะมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ใจนะนะ่ะเรา ให้ตั้งใจปฏิบัติตัวนี้เพื่อเราจะได้มีนะมีที่พึ่งทางใจของเรานะแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะมันที่จริงในโลกนี้นะหรือว่าในพุทธศาสนาเองมันก็มีหลายวิธีการมีหลายรูปแบบนะแต่วิธีการที่ที่วัดนะที่วัดป่าสุกโตเนาะอยากจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องราวของการ จเจริญสตินะสร้างความรู้สึกตัวนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะเหมือนที่เมื่อวานพาสวดว่าการจเจริญสติหรือว่ามหาสติประธานสนสวดเนี่ยมันเป็นทางเอกนะเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์นะถ้าเรามีสติเนะี่ยเหมือนกับเราเดินทางนะไปสู่นิพพานนะ อันนี้คือพระเจ้าท่านตรัสว่านุ่งเนี่ยแหละหนทางเอกที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์คือการการมีสติการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยแหละนะมีสติไปในกายมีสติไปในใจนะมีสติต่อไปเรื่อยๆก็นะเข้าถึงความพ้นทุกข์ไดนะ้การมีสติเนะีนะ่ยก็มันก็มีรูปแบบอย่างที่เราได้ทํากันเนาะมีรูปแบบเดินจงกรมบ้างมีรูปแบบ ยกมือสร้างจังหวะบ้างหรือนอกรูปแบบนะเวลาเรากินอาหารเราก็รู้สึกตัวเวลาเราดื่มน้ำเราก็รู้สึกตัวเวลาเราเอ็นไส้เอียงขวานะเราก็รู้สึกตัวเรียกว่านะอย่างสายตรงงพ่อเทียนท่านจะเน้นว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอะไรเนะี่ยให้เรารู้สึกตัวนะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนก็รู้สึก หรือว่าหยุดนิ่งก็รู้สึกนะอย่างเรายกมือสร้างจังหวะนะเราพลิกมือมันก็คือการเคลื่อนนะเราก็รู้สึกตัวหยุดนะเราก็รู้สึกตัวยกขึ้นมาอีกนะเราก็รู้สึกนะหยุดเราก็รู้สึกเรียกว่าเป็นการสร้างความรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวแล้วก็การหยุดนิ่งนะมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุด ให้มีการรู้ทีละครั้งก็พอละนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายแค่รู้รู้ตัวของเราเองเนี่ยก็พอละนะถ้าเรารู้ตัวของเราเองเนะี่ยเราสังเกตตอนนี้เรารู้สึกตัวเนี่ยมันทุกข์ไหมนะเดี๋ยวเราพลิกมือรู้สึกใจเรารับรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนะี่ยใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นเนะี่ย ใจมัน ไ, ไม่ทุกข์นะะใช่ไหมสังเกตโดยถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจมันจะไม่ไปทุกข์ที่ไหนนะเค ย, เคยอสอนคนจี น, หนไหมก็บางทีเขาก็มีความ ส, สงสัยเยอะ น, น, นะบอกว่าเนียราทําแค่นี้เหรอพอแล้วเหรอทางแค่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันพอแล้วเหรอไอ้มาก็พูดอย่างนี้ยถ้าเราเอ พลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกเดินรู้สึกนะเรียกว่าแค่รู้สึกตัวตอนที่เรารู้สึกตัวมันไม่ทุกข์ใช่ไหมบางคนก็ไปสงสัยต่อเนาะแล้วต่อไปในอนาคตอะอนาคตเราอาจจะต้องเจอความทุกข์ใช่ไหมก็ใช่นะแต่สังเกต ด, ดูสินะถ้าเราทุกข์ถ้าเราคิดล้วก็ กลับมามีสติกลับมารู้สึกตัวมันก็เลิกทุกข์แล้วใช่ไหมมันก็ดับทุกข์ละนะมันทุกข์เพราะอะไรนะที่จริงทุกข์เนี่ยมันไม่มีที่อดีตมันไม่มีที่อนาคตนะความทุกข์มันมีที่ปัจจุบันเมื่อเราเช่นมีคนว่าเราตั้งแต่เมื่อวานถึงแต่ปีที่แล้วนะเราก็เก็บคำพูดของเขามาคิด จำเรื่องราวที่เขาว่าเรามาคิดนะมันก็ทุกข์ที่ปัจจุบันตอนนี้นะะอดีตที่มันเคยมีคนว่านะมันทุกข์มันดับไปแล้วอนะแต่พอเรามาคิดเมื่อไหร่มันก็เกิดความทุกข์ทันทีหรืออนาคตนะเรามีความกลัวมีความนะ่กังวลใจนะเราคิดตอนนี้นะมันก็ทุกข์ตอนนี้นะ อนาคตเช่นพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอหรือเหตุการณ์ที่เรากลัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเราคิดนะเราก็ทุกข์ตอนนี้เลยนะเช่นบางคนมาวัดนะจินตนาการแล้วกลางคืนกลัวผีอนะหรือบางทีเรานะกลางคืนนะัวดฉี่ ไม่กล้าลงไปเข้าห้องน้ำโดยเฉพาะบางทีผู้ชายนะใช่ไมพักบนศาลาห้องน้ำอยู่ข้างล่างบางทีนะเออพอปวดขึ้นมาแล้วใจมันคิดอ่ะนะเออไม่กล้าลงมามันทุกข์เลยนะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ยังไม่เจอผีเลยนะมันทุกข์ก่อนมันกลัวก่อนใช่แต่ถ้าเรามีสติเราก็กลับมารู้สึกตัวนะพอเรากลับมารู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะที่จริงความทุก นะในอดีตก็ตามความทุกข์ในอนาคตก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงตอนที่ปัจจุบันเท่านั้นนะตอนที่เรามีความหลงเมื่อเราหลงเราก็เลยคิดนะเมื่อคิดปรุงแต่งมันก็เกิดเป็นความทุกข์ใจนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วก็เปลี่ยนจากความทุกข์ใจนะมาเป็นความรู้สึกตัวมันก็ไม่ทุกข์แล้ว หรืจะเรียกง่ายๆว่าเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะที่ปัจจุบันนะนะเราก็ทําแค่แนัน้นแหะถ้าเรามีสตินะเปลี่ยนแค่ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ในปัจจุบันนะ่ะแค่นั้นพอหรือบางทีบางคนอาจจะอสัง เ, เกตไม่ค่อยได้ว่าความทุกข์มันคืออะไรบ้างนะบางทีความทุกข์มันก็แยกแยกแยกได้หลายอย่างนะก็คือ ที่เราเรียกว่ากิเลสนั่นแหละนะกิเลสนั่นแหละมันคือรากเหง้าของความทุกข์นะความโกรธด้วยนะนั่นะคือกิเลสใช่ไหมนะอย่างอาตมานะก่อนบวชเนะี่ยเคยโกรธนะเคยโกรธนะแบบมากๆานะพอเราเห็นนะตอนนั้นอาจารย์นะเขาทักนะทักว่านะเรากําลังคิ้วผูกโบแล้วนะนะพอเรากลับมาเห็นนะ เราไม่ได้เห็นหน้าตัวเองนะว่ากำลังคิ้วผูกโบแต่เรากลับมาเห็นใจของเราที่โกรธความโกรธที่เคยแบบโกรธข้ามวันข้ามคืนเอา้ามันหายไปเลยนะจากแต่ก่อนที่เคยโกรธแบบไม่ไม่ยอมนะจะเอาให้ได้อย่างที่เราต้องการเลยนะมันพอแค่เราเห็นความโกรธความโกรธมันก็ดับไปนะหรือมีเด็กคนนึงนะเขากลัว เขากลัวเปะนะคือเวลาพ่อเขาพาขึ้นเปะเพื่อจะข้ามฟากนะเขาจะกลัวมากนะเขาก็จะร้องรอง้อ ง, องนะงอแงนะพ่อก็พูดหลายวิธีบอกประมาณว่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยนะกลัวทำไมคนอื่นก็ไม่เห็นกลัวไม่อันตรายดอกก็ใช้วิธีสอนนะสอนนะแต่บอกว่าสอนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลพอวันหนึ่งนะ เพื่อนก็แนะนำอุบายว่าลองแบบนี้สิเมื่อวันนั้นเด็กเข้ามาที่โป๊ะนะเขาก็ร้องกลัวกลัวโป๊ะเหมือนเดิมแหละแต่พ่อก็ถามว่าความกลัวเป็นแบบไหนลูกนะลูกก็เลยตอบไปว่ากลัวมันมันแน่แนๆนนะมันไม่สบายนะ แล้วก็มันขนลุกด้วยนะเด็กนะประมาณอายุสี่ขวบพอเขาพูดแบบนั้นนะสักพักหนึ่งนะเขาก็ลงมาจากแขนของพ่อเลยแล้วก็มันเดินอยู่ที่โป๊ะมายืนอยู่ที่โป๊ะได้เลยเพราะอะไรพอเขาเห็นความกลัวเขาก็เลยเลิกกลัวมัน <c ười> คือการมีสติคือการเห็นอย่างที่พระอาจารย์วัดว่าเมื่อวานนะ การมีสตินี่คือการสร้างความเป็นผู้ดูนะหรือว่าเป็นการสร้างสภาวะที่เห็นเมื่อเราเห็นความโกรธก็ดีหรือเราเห็นความกลัวในใจก็ดีนะความโกรธความกลัวนะมันจะตกไปนะมันก็จะหายไปเลยนะหรือแม้แต่บางทีบางก็มีความอยากนะยังมีเด็กคนหนึ่งนะอายุประมาณแดขวบนะ อย ก, กินไอศครีมมากนะตอนนั้นมีงานบวชเนนฤดูร้อนที่วัดป่าสุกโตนะก็พี่เนนเขาไม่มีตังค์นะก็ได้บอกเด็กไปว่าอย่าพึ่งซื้อนะให้พี่เนนเขาไปเข้าป่าก่อนนะเด็กก็เลยบนนะบนบอกเมื่อไหรพี่เนนจะไปเท่ทีเมื่อไหร่พี่เนจเเนจะไปเท่ทีนะจะได้ซื้อไอศครีมนะก็บนแบบนนีะ้ใจก็โกวนก็วาย อาตมาก็เลยถามว่าอยากมากเลยเหรอนะเด็กแปดขวบก็บอกว่าอยากมากเลยนะก็เลยถามต่อว่าแล้วความอยากมันเป็นแบบไหนล่ะอยากมันรู้สึกมันฟุ้งซ่านนะมันรู้สึกแน่นๆ่นรู้สึกอึดอัดนะเหมือนมีคนเอาเชือกมาลัดตัวนะมันก็เลยหาอุบายอ้าว เออเป็นแบบนั้นหรอไหนลองหายใจเข้าดูซิก็ได้พาเด็กหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> สามรอบนะพาเขาหายใจเข้าหายใจออกสามรอบก็คือให้เขากลับมามีสติรู้ลมหายใจนะที่มันเคลื่อน เข้าที่เหมือนเคลื่อนออกเนี่ยแหละแล้วพอครบสามรอบก็เลยถามนะถามเด็กดูว่าเป็นยังไงบ้างนะบอกมันรู้สึกเบาสบายขึ้นนะเหมือนมีคนเอาเอามีดมามาฟันเชือกนะออกจากตัวเลยนะอันนี้ความรู้สึกของเด็กนะที่เขาสังเกตโดยตัว เ, เองตอนที่จริงเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะ แต่พอเขามีสติเนี่ยแหละนะไอ้ความอยากนะที่เขาเปรียบเสมือนว่ามันเหมือนเชือกที่พันรัดตัวเขาไว้ที่ทำให้เขาแน่นทำให้เขาฟุ้งซ่านไม่สบายใจเนี่ยแหละแต่พอกลับมามีสตินะสองสามรอบมันเหมือนเชือกที่ถูกพันรัดร่างกายแล้วก็จิตใจเขาไวนะ้น่ะมันขาดไปก็คืออันนี้ส์งคือสติเนะี่ยเปรียบเสมือนเป็นชือเป็นมีดเป็นดาบก็ว่าได้นะ เมื่อใดที่เรามีสติเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นความอยากก็ดีไม่ว่าจะเป็นความโกรธก็ดีไม่ว่าจะเป็นความกลัวก็ดีนะมันก็จะหายไปนะนี่คือเราอานิสงส์ของการมีสติก็คือเอาง่ายๆนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมนะถ้าเราคิดนะให้เรามีสติรู้ทันนะอย่าไปกับความคิดนะ ให้พยายามกลับมารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวก่อนเนาะเราแค่รู้ทันว่าใจเรากำลังคิดหรือกำลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแค่รู้แค่ดูเฉยๆนะจิตมันจะหยุดความคิดมันจะตัดความคิดมันจะกลับมารู้ตัวว่าตัวกำลังทำอะไรอยู่หรือตอนไหนมันไม่คิดมันไม่ปรุง เราก็พยายามอยู่กับปัจจุบันนะนะั่นแหละจะยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวก็พยายามมีสติใส่ใจรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำนะใหม่ๆนะโดยเฉพาะพวกเรานะหลายคนก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะฟุ้งซ่านเยอะนะคิดหลายอย่างนะให้อาศัยความตั้งใจขึ้นนิดหนึ่งนะตั้งใจอะไรตั้งใจมีสติรู้กายนะ เวลาจะพลิกมือนะก็ตั้งใจรู้หยุดเองก็ตั้งใจหยุดยกขึ้นใหม่นะก็ตั้งใจรู้นะหรือเดินจงกรมก็เหมือนกันบางทีอย่าเดินฟรีๆนะบางทีเราก็เดินให้มันหมดเวลานะให้มันหมดคาบไปเฉยๆนะแต่ลองตั้งใจรู้การเดินนะกินข้าว็เหมอนกันนะไม่ใช่กินให้มันอิ่มเฉยๆนะลองตั้งใจเคี้ยวตั้งใจกืนนะ ตั้งใจรู้รสชาติอาหารที่เรากินเนะ่คืออาศัยความตั้งใจนะความตั้งใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธนะิเรามีความตั้งใจทำอะไรเนะี่ยมันเป็นสมาธินะมันเป็นความเพียร น, นะเราใส่ตั้งใจแต่ถ้ามันรู้สึกว่าเออมันมันตั้งใจแล้วมันแน่นตั้งใจแล้วมันเครียดนะแสดงว่าอาจจะตั้งใจมากไปนะ แล้วก็ผ่อนความตั้งใจสักหน่อยอ่าทําให้มันสบายขึ้นนิดหนึ่งนะตั้งใจให้มันน้อยลงนิดนึง่งอนะไรแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไรที่มันปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยแสดงว่าความตั้งใจของเรามันไม่มีหรือมีก็น้อยเหลือเกินจนเดินฟุ้งซ่านคิดไม่รู้กี่เรื่องนะ่ะไม่รู้กี่จบแล้วอันนี้คือไม่มีสมาธิอถ้าเราฟุ้งซ่านก็ต้อง หาอุบายหาวิธีอะเรียกสติกลับมาก่อนนะเช่นเราเดินจงกลมบางทีเดินไปคิดไปเยอะแยะมากมายนะลองหยุดสักหน่อยก็ได้นะหยุดแล้วก็ตั้งสติรู้ตัวว่ากําลังยืนนะพอรู้ตัวว่ากําลังยืนแล้วก็ค่อยก้าวใหม่นะก้าวใหม่ให้มันมีสติตั้งต้นใหม่ขึ้นมานะอันนี้คือการฝึกสติเนาะคือการ เรียกว่าสร้างความรู้สึกตัวอย่างพอดีนะอย่างเป็นกลางเป็นกลางหรือพอดีระหว่างอะไรนะรว่าเป็นกลางคือระหว่างความตึงเครียดกับความหย่อนนะความเผอนะการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยพยายามาหาจุดที่มันพอดีให้ได้นะบางครั้งเราก็เผอเผอฟุ้งซ่าน บางครั้งเราก็เผลอไปตึงไปตั้งใจมากเกินไปนถ้าเรารู้ทันนะสภาวะที่มันตึงรู้ทันสภาวะที่มันหลงนจิตมันจะเป็นกลางจิตมันจะพอดีของมันเองเนาะนี่คือการมีสตินะบางทีเราอาจจะไม่ได้ว่าพยายามหาความพอดีแต่จริงคือเรารู้ทันความไม่พอดีนั่นแหละมันจะทําให้มันพอดีของมันเองะ มันเราขี่จักรยานหรือว่าขับรถนะ่ะบางทีถ้าเราเก่งควงมาเลยมากเกินไปนะมันก็จะแน่นนะบางทีเราก็ดูทันนะอ่ะเออมันจะเอียงทางซ้ายมันจะตกถนนแล้วนะเราก็ปรับเข้ามาทางขวานิดนึงให้มันเข้ามาในเลนที่ถูกหรือบางทีเราก็เผลอเอ็นไปทางขวาจะออกไปกลางถนนแล้วนะเราก็ปรับมาทางซ้ายให้มันพอดี อันนี้คือความพอดีนะความพอดีก็คือการรู้ทันความไม่พอดีนั่นแหละนะแล้วมันจะพอดนะีคือเรารู้ทันกายของเรานะเวลาเราสังเกตตัวนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสําคัญคือการเป็นผู้สังเกตนะทาตัวเป็นผู้สังเกตเหมือนเราเป็นผู้เป็นคนทาทดลองนะเป็นนักวิจัยนะ เราต้องเป็นผู้แค่สังเกตอย่าไปดัดแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นเราสังเกตดูนะสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูจริงๆนละ้มันจะปรับของมันเองเช่นเราเรายกมือแล้วเราเกรงเกินไปนยะถ้าเราสังเกตนะมันจะคลายความเกรงของมันเองนะหรือว่ามันคิดนะถ้าเราสังเกตแล้วเห็นความคิดนะ จิตมันจะหยุดความคิดนะมันจะไม่ปรุงความคิดต่อนะ่ยมันจะพอดีของมันเองนะนะให้เราเป็นผู้สังเกตนะอย่าเป็นผู้ที่ไปต้องแบบไปห้ามเนาะการปฏิบัติธรรมแบบเจริญสตินะ่เราไม่ห้ามความคิดนะแต่เราไม่ทำตามความคิดนะบางทีความคิดนะมันอยากจะนอนความคิดมันอยากจะพักความคิดมันอยากจะคิดปรุงแต่งนะ่ะ ข้างในไปเรื่อยนะนี่คือความคิดที่มันเป็นความอยากเป็นความต้องการนะแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยนะมันก็จะหยุดความคิดตรงนั้นได้นะหยุดความคิดได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะคิดไม่เป็นนะนะเมื่อถึงเวลาเราคิดในการเรียนหรือการทำงานนะเราก็เป็นผู้ใช้ความคิดนะแต่แต่ก่อนเนะี่ยถ้าเราไม่มีสตินะความคิดจะใช้เรานะ คิดให้เราทุกคิดให้เราสุขคิดให้เร า, าฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเป็นผู้ใช้ความคิดมีเด็กคนหนึ่งเหมือนกันนะถามอายุส6บหนะเขาก็ฝึกสติรู้จักเรื่องวิธีฝึกสติมาห้าหปีแล้วนะ่ะมาเจ อ, อตมาก็สงสัยเหมือนกันนะพอเป็นมัยรุ่นแล้วก็อาจจะมีความคิดหลายอย่างนะเขาก็ถามประมาณว่านะ่ ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่มีความคิดนะหรือว่าถ้าเราแบบปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่มีความอยากเนะี่ยชีวิตทางโลกมันจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าอาจารมาก็บอกว่าได้สิทําไมจะไม่ได้นะนะคือเขาคิดว่าถ้าแบบเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันไม่มีความอยากมันจะทําให้เราไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน หรือประสบความสําเร็จนะแต่จริงๆมาบอกว่าที่จริงมันทําได้นะะเราสามารถทํางานแล้วก็สําเร็จแล้วก็มีความสุขไม่ทุกข์เพราะการทํางานก็ได้นะเอคือถ้าเรามีสตินะสติก็จะทําให้เรามีสมาธินะเรามีสติเรามีสมาธิเรามีความตั้งใจทํางานงานตรง น, นั้นมันก็สําเร็จนะ เมื่อเรามีความสำเร็จคนอื่นเห็นงานที่เราทำเป็นงานที่ดีเขาก็ชมเชยหรือเราทำงานอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนี่คืออะไรเพราะว่าเราตั้งใจทำแต่ละขณะให้ดีที่สุดพอเราตั้งใจทำแต่ละขณะให้ดีที่สุดงานมันก็สำเร็จ มันเราก็สามารถจะเดินก้าวหน้าในการเรียนก็ได้ในการทำงานก็ได้นะในทางโลกก็ได้แต่มันก็ควบคู่กับการว่าเราก็มีความสุขในการทำงานไปด้วยนะแล้วก็เราก็มีสติรู้ทันเวลามันเจอสิ่งกระทบนะบางทีเราทำงานเนะี่ยบางทีก็มีคนชมเราบางทีก็มีคนตา ห, หนิเราเนะี่มีคนชอบเรามีคนไม่ชอบเราเราหนีไม่พ้นนะ แต่บางคนเนี่ยหวั่นไหวจิตใจหวั่นไหวมีคนว่าก็ก็ทุกข์ใจนะมีคนไม่เข้าใจก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีสติเราจะเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองนั่นแหละนะเราห้ามไม่ได้เราห้ามคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปทุกต่อเนี่ยคือสิ่งที่เราทำได้มันนั้นที่จริงนะ ถ้าใครฝึกเจริญสตินะหรือว่าฝึกธรรมะนะเราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเรานะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมได้ดีเลยนะอันนี้แหละเป็นวิชาที่ อ, อยากให้พวกเราเนาะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะการฝึกสติไม่ใช่เพียงแค่มาฝึกอยู่ที่วัดนะแต่เรามาฝึกที่วัดเพื่อให้เราได้รูปแบบแล้วก็ให้เราได้เหมือนคล้ายๆตั้งต้นนะตั้งต้น ห้าวันเจ็ดวันที่เราได้ฝึกเนะี่ยเหมือนได้มาเข้าคอร์สได้มาตั้งต้นนะให้มันต่อไปเรากลับไปอยู่ที่บ้านที่ทํางานที่โรงเรียนเนาะเราก็เอาไปใช้ต่อนะเอาไปใช้ต่อสติยิ่งใช้ยิ่งงอกงามนะอนะยิ่งงอกงามเรายิ่งใช้เยอะๆเนะี่ยเราก็ยิ่งมีสติเยอะแต่ถ้าเราไม่ใช้สติเลยเนะี่ยเราก็จะเป็นคนที่ขาดสตินะ แต่เราก็ต้องใช้บ่อยๆนะให้พวกเราพยายามตั้งใจฝึกดูเนาะแล้วก็บางครั้งในขณะที่ฝึกมันก็อาจจะมีความง่วงบ้างมีความเบื่อบ้างมีความสงสัยบ้างแต่มันก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นตลอดนะบางครั้งก็มีความเบามีความสบายมีความเพลินเพลินมีความไม่ทุกข์มันก็มีเหมือนกันน่าแหละนะแต่ให้เราจําไว้สักหน่อยนะ หลวงพ่อชานะท่านสอนนักปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าบางครั้งปฏิบัติธรรมนะนะขี้เกียจก็ปฏิบัตินะขยันก็ปฏิบัตินะคาว่าปฏิบัติจริงๆของท่านก็คือขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจขยันก็รู้ว่าขยันนะแต่ไม่ใช่ทําตามมันถ้าเราไม่ปฏิถ้าเราไม่ปฏิบัติก็คือว่าขี้เกียจเราก็ไม่ปฏิบัติเราก็เลิกไป ขยันเราก็ทําแบบแบบขยันเกินไปทํามากเกินไปก็มีนะนี่คือเรียกว่าให้เรารู้ทันอารมณ์ของเราแล้วก็นะอารมณ์มันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เราก็เป็นเพียงแค่เห็นมันดูมันนะยอมรับมันนะถ้าเราเห็นมันเราดูมันเรายอมรับมันนะจิตมันจะพ้นออกมานะจิตจะกลายเป็นผู้ดู เหมือนเราอยู่บนตึกนะหรืออยู่บนดิมฟุตบาทแล้วก็เราก็ดูรถเขาวิ่งนะผ่านมาผ่านไปนะหรือเราอยู่บนฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะเราก็เห็นเรือสินค้าเห็นเรือโดยสารเห็นสวะอ่าลอยผ่านในน้ํานะไปมาเรื่อยแต่เราอยู่บนฝั่งเนะี่ยปลอดภัยไม่จมน้ํา ไม่โดนรถชนนะการมีสติก็เหมือนกันพอเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้ดู่ีต่งางๆที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการแล้วอาการเนะี่ยมันก็ไม่พ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอาการนะเราดูไหมฮดูมันเกิดขึ้นดูมันตั้งอยู่ดูมันดับไปพอเราเข้าใจคำว่าอาการเนะี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการ ทุกอาการโกรธอาการโลภอาการหดมแต่ไม่ใช่เราทุกไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราโลภไม่ใช่เราหดมเมื่อไรที่เราเห็นเป็นเพียงแค่อาการนะมันจะไม่มีตัวเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะที่จริงมันทุกเพราะเรายึดว่าเป็นเราแต่เราถ้ามองเห็นเปนเพียงแค่อาการนะมันก็มีทุกละมันก็สบายละนะนะก็พูดให้ฟังไว้ก่อนนะ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ก็จาไว้นะก็ลองทำไปก่อนนะเมื่อไรถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะดูได้ด้วยตัวของเราเองนะั่นแหละน่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะน่ะมันเป็นปัจจตังดูได้เฉพาะตนนะ่ะจะให้คนอื่นมาดูแทนเราก็ไม่ได้นะจะให้คนอื่นทำให้เราก็ไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองแล้วก็รู้เองนะ่ะ ออเาก็ฝากไว้ในเช้า ว, วันนี้อ่ะกบาบพระพร้อมกัน